ถาพูดค่อยๆไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าหลวงพ่อไม่แข็งแรง <c oughs> จะต้องทําให้แข็งแรงไว้ไม่แข็งแรงก็ต้องทําให้แข็งแรงเดี๋ยวจะหาว่าหลวงพ่อไม่มีพลังจิต <c oughs> เพราะว่าเวลาพูดเวลาเดิน เวลาทำอะไรต่างๆนันต้องใช้พลังทั้งนั้นแต่ก่อนๆเคยคิดว่าสวดมนต์เนี่ยก็ธรรมดาไม่ได้ใช้เรียวใช้แรงอะไรแท้ที่จริงเนี่ยสวดมนต์นี่มันต้องอวัยวะในส่วนร่างกายนีย่แทบทุกส่วนต้องทำงานหมด่เสียงที่สวดออกไปเนี่ยวามจะออกเสียงมาได้ นี่อยู่คราวหนึ่งเกิดอพาร์อะไรไม่ทราบร่างกายนี่มันเจ็บไปหมดคราวนั้นมีฝรั่งคนหนึ่งมาอยู่ด้วยเยอรมันมันบอกว่าเจ็บแบบนี้มันต้องไหว้น้ำเออเราจะไปไหว้ที่ไหนอเดี๋ยวก็โยมเห็นเข้ากระยุ่งใหญ่ แ้แกจะพาเราไปไหว้ที่ไหนไม่ให้ใครเห็นเออไปภูเก็ตแพาหลวงพ่อไปที่ภูเก็ตอนี้ไปครั้งแรกเนี่ยก็ไปหาดลาวัยอหาดลาวัยมันขึ้นตื้นๆเดินไปก็ได้มันก็ไม่ได้ไหว้ก็เลยเปลี่ยนจากหาวลาวัยเป็นกระตะกระรน กรากรณนนี่มันจะอยู่ข้างม ห, มหาสมุทร อ, อันตรายต้องไหว้สู้ขึ้นก็เลยพาพระองค์หนึ่งไปด้วยกันพอไปถึงก็ไหว้ทีนี้สำหรับหลวงพ่อไหว้น้ำเป็นอยู่แล้วไม่เป็นไรพอขึ้ น, น, นมานี่มันมาลูกใหญ่เบ้กเ บ, เบซัดทีเดียวนี่กระเด็นเลย ไหว้ยอยู่อาทิตย์หนึ่งไอ้ที่เจ็บปวดในร่างกายหายหมดเนี่ยพลังนี่มันเข้าท่าแสดงว่าไปไหว้น้ำที่ภูเก็ตสาเร็จได้พลังกลับมาต่อสู้การงานกันใหม่ชีวิตของคนเรานี่กว่าจะผ่านพ้นมาถึงป่านนี้ได้เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่เราต้องต่อสู้กันเยอะหลวงพ่อผ่านมาเกือบจะถึงแปดสิบแล้วเนี่ยเรีย <c oughs> กพวกผ่านเยอะแล้วก็ยังมีสภาพร่างกายที่ยังไม่ชำรุดเสียหายมากมายนะักท้งตาท้งหูท้งเออแข้งขาอะไรต่างๆนี่ ก็ยังอยู่สมบูรณ์ถือว่าผ่านมาด้วยความแข็งแกร่งเรียกว่าแข็งแกร่งแล้วก็จะขอให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยร่วมการผ่านไวัยไปด้วยความแข็งแกร่งใครอย่าเป็นอะไรซะก่อน ม, มีความแข็งแกร่งด้วยกันแล้วก็ต่อสู้ชีวิตชีวิตเขาเรียกว่าการต่อสู้ ต่อสู้กันมาจนกระทั่งถึงป่านนี้ต่อสู้มาตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งถึงป่านนี้นันก็ถือว่าวันลุผลสำเร็จทีนี้เมื่อมาถึงวันนี้เราก็จะได้รับการอธิบายถึงข้อที่สิบเจ็ด ถึงสมาธิกับการงานสมาธิกับการงานนี้ในวันนี้ก็คงจะที่บายย่อๆเพราะจะเอาเวลาไว้พูดเรื่องสุดท้ายให้มันเยอะหน่อยวันนี้เพราะว่าในข้อความเหล่านี้คิดว่านักศึกษาทุกคนก็คงจะอ่านมาแล้วทบทวนกันไปแต่จะมาพูดประเด็นที่ว่า เอเป็นที่ทราบกันแล้วว่าอารมณ์ที่ต้องใช้นั้นเป็นอารมณ์ที่มีการปรับปรุงคือเราจะทําการงานต่างๆเนี่ยเราต้องใช้อารมณ์คือใช้ความนึกคิดความนึกคิดอันนี้จะต้องมีการปรับปรุงเสก่อนเพื่อมาทิ้งจะออกมาเป็นการเป็นงานได้ ถ้าหากว่าอารมณ์ที่ไม่มีการปรับปรุงนั้นมันทำการทํา ง, งานไม่ได้สเปสะสปะไปตามเรื่อง ค, คิดนู่นคิดนี่แต่ว่าการที่จะกลับมาเป็นการเป็นงานจะเป็นการปกครองหรือจะเป็นการเออเป็นธุรกิจหรือจะเป็นโรงงานหรือบริษัทหรือครอบครัวหรืออะไรก็ตามที่จะทาเนี่ย มัที่มันจะออกมาเป็นการเป็นงานเนี่ยต้องได้รับการปรับปรุงซะก่อนไอการปรับปรุงเนี่ยจะอะไรเป็นผู้ปรับปรุงก็คือใจเนี่ยเป็นผู้ปรับปรุงคือปรับปรุงให้อารมณ์มันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมันถึงจะเป็นงานเป็นการได้เช่นเราจะตั้งโรงงานทอผ้าการปรับปรุงนี้ก็ต้องปรับปรุงด้วยหลักวิชาการ ว่าการทอผ้าจะทำอย่างไรจะต้องมีอะไรบ้างตั้งโรงงานทอผ้านี้นับไปตั้งแต่การสร้างโรงงานขึ้นนับมาตั้งแต่ความคิดแล้วก็จะต้องไปสั่งเครื่องอะไรมาและจะต้องสั่งวัตถุดิบมาจากไหนต้องมีคนงานเท่าไหร่ต้องมีผู้จัดการต้องมีแคสเชียต้องมีหัวหน้างาน ต้องมีอินเจเนียร์ต้องมีเทคนิคต่างๆอาการที่มันจะออกมาอย่างนี้ได้เนี่ยมันถูกการปรับปรุงอารมณ์นี้ออกมาแล้วอารมณ์นี้ไม่ใช่สเปรสปะแต่ว่าอารมณ์นี้ได้ปูกใจเนี่ยปรับปรุงขึ้นมามันจึงมาเป็นเช่นนี้ได้ <c oughs> เมื่อมีการปรับปรุงก็ชื่อว่าเป็นงานของใจ พระใจจะต้องทำงานนี้ทุกขณะแห่งอารมณ์จึงชื่อว่าบุคคลต้องใช้ใจเป็นผู้ปรับปรุงใจนี้ต้องเป็นผู้ปรับปรุงดังนั้นการทำงานของใจจึงจาเป็นต้องมีสมรรถภาพใจที่จะปรับปรุงออกมาเป็นโรงงานได้ออกมาเป็นห้างร้านบริษัทได้ใจนี้จะต้องมีการปรับปรุง และการปรับปรุงนั้นใจนั้นจะต้องมีสมรรถภาพสมรรถภาพหมายถึงเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้วิชาการต่างๆแล้วก็ได้เป็นผู้มีประสบการณ์มีความชำนาญหลายๆอย่างสิ่งเหล่านี้จะอยู่ที่ใจของคนนั้นเพราะผู้นั้นน่ะได้สร้างภาพคืออุปสงค์ ที่สร้างไว้ที่ใจนั้นอ่ะมีอย่างไรอุปสงค์ของเขามีทางการเกษตรเขาก็ทําไปทางนั้นอุปสงค์ของเขามีทางธุรกิจก็ทําทางนั้นอุปสงค์ของเขามีการตั้งโรงงานก็ทำํำไปตามทางนั้นหรือคนจะไปเป็นทานายความหรือจะไปเป็นอาชีพอะไรต่างๆเพราะฉะนั้ น, นการที่ ใจนั่นน่ะได้ฉายภาพหรือเก็บความรู้เหล่านั้นไว้สิ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นสมัรถภาพสมัถภาพของใจทีนี้สมัถภาพนั้นจะมีความแข่งแค่ไหนจึงจำเป็นต้องมีสมัถภาพมิฉนั้นการปรับปรุงจะแข็งแกร่งไม่ได้คือสมัถภาพอันนี้ถ้าไม่มีคือทำไม่ได้ ไม่มีอะไรจะมาปรับปรุงให้ใจนี่ไปปรับปรุงอารมณ์ถ้าหากว่าสมรรถภาพอันนี้ไม่ได้เก็บเอาไว้ในกรณีต่างๆสมรรถภาพอันนี้ก็ไม่แกล้นพอที่จะทำในสิ่งนั้นๆได้ได้แต่เพียงคิดเมื่อได้แต่เพียงคิดนี่มันไม่สาเร็จมันจะต้องมีสมรรถภาพความคิดแล้วจะต้องมีสมรรถภาพ <c oughs> ด้วยเหตุดังกล่าวการปรับปรุงของใจจึงไม่อยู่ในความเป็นชั้นเดียวกันคือใจของคนเราเนี่ยจะมีสมรรถภาพต่างกันจะไม่อยู่ในชั้นเดียวกันต้องมีต่างชั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมีการแบ่งชั้นของใจที่จะต้องมาปรับปรุงอารมณ์บางคนความแข็งของใจสูง ก็สามารถปรับปรุงใจอยู่ในชั้นสูงหรือบางคนมีความแข็งของใจต่าก็ไม่สามารถเฉพาะเรื่องก็จะได้เฉพาะเรื่องชั้นต่าหรือบางคนความแข็งของใจมีอยู่ในพอสันฐานประมาณความสามารถในการปรับปรุงอารมณ์ก็มีอยู่ในขั้นธรรมดาอันนี้เราจะรู้ได้ว่าคนที่ มีความสามารถที่มีความแตกต่างกันนั่นอยู่ที่สมรรถภาพสมรรถภาพอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลจะสร้างพื้นฐานของแต่ละบุคคลให้เกิดขึ้นเมื่อสร้างพื้นฐานให้เกิดขึ้นด้วยพื้นฐานอย่างไดและมีความสามารถแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นคนจะไปตั้งโรงงานทอผ้าเหมือนกันหมดไม่ได้คนจะไป กเนี่ยบริษัทบริษัทเหมือนกันหมดก็ไม่ได้มันจะต้องมีคนงานมันก็จะต้องมีผู้จัดการมันก็จะต้องมีไออันนี้เขาเรียกว่าสมรรถภาพเนทางใจนี้จะออกเป็นปรากฏการออกมา <c oughs> ทีนี้เรามาพูดกันเรื่องสมาธิอันนี้เราพูดถึงการงานโดยแท้จริงแล้ว เราก็มาพูดถึงเรื่องสมาธิว่ามันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการงานเหล่านี้ด้วยเหตุดังกล่าวสมาธิจึงมีบทบาทในการสร้างฐานะของใจสมาธิเนี่ยจะมีบทบาทในการสร้างฐานะของใจบางคนนั้นอาจจะมีสมรรถภาพต่ำแต่ว่าถูกสมาธิพัฒนาขึ้น ก็กลายเป็นบุคคลผู้มีสมรรถภาพสูงได้ด้วยเหตุดังกล่าวสมาธิจึงมีบทบาทในการสร้างฐานะของใจหรือเรียกว่าพัฒนาจิตใจเพิ่มสมรรถนะของใจขึ้นมาได้อย่างแท้จริงเพราะว่าสมาธินั้นมันเป็นเรื่องที่นอกเหนือนอกเหนือจาก นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากความนึกคิดหรื อ, อหลักวิชาการต่างๆหลักวิชาการต่างๆนั้น เ, เขาจะเอาคนเนี่ยมาวัดไอคิแล้วก็ว่า i อคิของคนนี้มีแค่นี้ i อคิ IQ ของคนนี้มีแค่นี้อันนี้เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์หรือ หลักวิชาการแต่ว่าสมาธิจะอยู่เหนือหลักวิชาการเหล่านี้เขา อ, อาจจะวัดไอคิวมีห้าสิบแต่ห้าสิบนั้นะยังเหลืออีกห้าสิบสมาธิสามารถที่จะแก้ไขไอคิอันนี้ให้เพิ่มขึ้นมาได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่สมาธิที่จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่างๆเหล่านี้ ไม่ใช่ว่าใจมีความเกลี่ยนแค่นี้แล้วก็จะปล่อยให้ใจของเราอยู่แค่นี้แค่ความแกร่นแค่นี้เราจะยอมรับโดยที่เราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ได้อันนี้คือการยอมรับหรือว่าถึงไม่ยอมรับการธรรมชาติมันก็ไม่สามารถ ที่จะสร้างกรรมกรมาเป็นผู้อะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าสมาเทเนี่ยสามารถที่จะสร้างอย่างกรรมกรเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้ที่มีความแกร่งเกิดขึ้นในชั้นสูงได้ม <c oughs> ่ใช่ว่ามีความแกร่งแค่นี้แล้วก็จะปล่อยให้ใจของเรามีแค่นี้นี่คือการยอมรับธรรมชาติใจ ของตนหมายความว่ายอมแพ้สังคมแบบง่ายๆเท่า okay. คนที่ยอมแพ้แบบง่ายๆหรือว่ามีลูกมีเต้าเห็นว่ามันโง่เง่าไม่สามารถที่จะเรียนหมอได้ไม่สามารถที่จะเรียนสิ่งที่พ่อแม่ต้องการได้อย่างเนี้ยอันนี้เรียกว่ายอมรับปล่อยมันมันจะเรียนอะไรก็ตามแต่อแต่ทีเนี้ยถ้าหากว่า มีสมาธิแล้วเนี่ยสามารถที่จะพัฒนา เ, เด็กๆพวกเนี่ยเด็กๆพวกนี้มันมันโง่เง่าอะไรๆต่างๆนี่ทำอะไรก็สู้เขาไม่ได้มันก็ค้งไปไม่รอดเราคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามีสมาธิแล้วเนี่ยมันไปรอดไม่ต้องยกตัวอย่างใครหรอกยกตัวอย่างหลวงพ่อก็แล้วกันหลวงพ่อก็คือเด็กเลี้ยงัวคนหนึ่ง เขาก็คงคิดว่าอหลวงพ่อเนี่ยไอ้สติปัญญาเมื่อคงสู้พี่น้องอทุกๆคนไม่ได้คนอื่นๆก็ล้วนแต่เรียนเก่งกันทั้งนั้นแต่หลวงพ่อเนี่ยเรียนเก่งอยู่อย่างเดียวคือเขียนหนังสือสวยที่สุดว่าต่อไปนั่นมีแต่ว่าจะไปคิดไปอ่านอะไรกับเขาเนี่ยสู้เขาไม่ได้ไวพริบไม่ทันก็หมายความว่าไอ้ความไม่ ไอคิวหรือว่าพื้นฐานเนี่ยมันไม่อยู่ในขั้นสูงแต่พอเวลาที่เข้าไปบวชเป็นสมัมมณเณนแล้วเมื่อเข้าไปบวชเป็นสมมณเณนแล้วนี่มันกลับตรปัดเพราะว่าไปทําสมาธิขึ้นพอไปทําสมาธิขึ้นนี่ไอความเฉลียวฉลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไว้พริบเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ความจำเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้เราก็ถามตัวเราอยู่ตลอดแต่ก่อนนั้นเราอาจจะท่องอะไรไม่ค่อยจำแต่พอเวลาไปทาสมาธิเข้าความจำไม่รู้มันมาจากไหนอย่างพระอาจารย์เทศจบเราจำได้หมดขึ้นธรรมะเทศได้อย่างพระอาจารย์อย่างนี้อันนี้เป็นตน้นหรือว่าไปท่องปาฏิโมกข์เขาท่องกัน เล่มหนึ่งปาติโมกเนี่ยมันไม่ใช่น้อยเล่มหึเนี่ยเล่มหนังสือเล่มหนึ่งแหละอ่าแล้วก็เขาจะต้องใช้เวลาทั้งสามเดือนกว่าจะจบปาติโมกสามเดือนแล้วยังต้องมาซ้อมแล้วซ้อมอีกกว่าจะสวดได้แต่หลวงพ่อเนี่ย่ อ, อ้งแค่สิบห้าวันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ต้องซ้อมอะไรอีกสวดมาจนถึงป่านนี้ อันนี้เราต้องเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยมันมามีบทบาทในเรื่องการพัฒนาสมถภาหรือเรียกว่าสมถนะทางใจสมาธินั้นสามารถที่จะมีบทบาทแก้ไขใจของมนุษย์ทั้งที่อ่อนแอให้แข่งขึ้นมาได้เพราะเหตุใดอ น, นี้เราต้องรู้จักเหตุว่าเพราะเหตุใดถึงจะสามารถ พัฒนาให้แข็งขึ้นมาได้เพราะว่าเพราะเหตุใดเราจาเป็นจะต้องทราบเหตุผลสมาธิเป็ น, นการเพิ่มพลังจิตตัวพลังนี้เองที่เกิดขึ้นจากสมาธิเข้าไปมีบทบาทในการเพิ่มพลังให้แก่ใจจนสามารถพัฒนาขึ้นมาเท่ากับผู้อื่นหรือ หรือแกล่งกว่าผู้อื่นได้อันนี้ยเราอาจจะเห็นว่าคนนี้มันโง่เอเด็กรู่ของเรามันโง่ก็คิดว่ามึงคงจะทําอะไรไม่ได้ถอยรับให้มันเรียนเท่า น, นี้ก็แล้วกันแต่ว่าถ้าหากว่ามันมีสมาธิขึ้นแล้วเนี่ยมันกลับตรปัะเรียกว่ากลับตรรกะดโดยสิน้นเชิงดังนั้นจึงมีเหตุผลที่ว่ามนุษย์ทั้งหลาย สามารถที่จะพัฒนาด้านจิตใจให้เกิดสมองมีความเฉลียวฉลาดปราเปลืองขึ้นกว่าเดิมได้คือสมาธิอาการที่คนที่ไม่ฉลาดหรือเรียกว่าคนที่มีสมองไม่ดีอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากว่าการสะสมพลังจิตเนี่ยตามธรรมชาติมันได้มาไม่เพียงพอ เมื่อมันได้มาไม่เพียงพอการอควบคุมหรือการคอนโทรลจิตใจของเราเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอเมื่อมันไม่เพียงพอไอสมรรถภาพหรือสมรรถนะทางจิตมันก็ด้อยลงไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันมีพลังจิตเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะไปเพิ่มไปเพิ่มการควบคุมจิตการควบคุมจิตหรือว่าการคอนโทรลจิตเนี่ยให้มันมีความ ควบคุมได้มากกว่าเดิมเมื่อเป็นเช่นนั้นใจของบุคคลผู้นั้นมันก็เกิดสมรรถนะขึ้นหรือเรียกว่าสมรรถภาพขึ้นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็คิดถึงการงานทั้งหลายที่บุคคลกําลังทํากันอยู่เพราะการงานต่างๆเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้สมองจําเป็นที่จะต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อที่จะทําการงานของเรานี้ไปสู่ความสําเร็จได้หากว่า เ, เราไม่สามารถที่จะมีพลังจิตพอเพียงแห่งความต้องการได้เนี่ยเวลาเราไปทําการงานหรือกิจการต่างๆเนี่ยมันอาจจะท้อถอยลงไปในการคันนอกจากจะท้อถอยลงไปในการคันแล้วมันก็เกิดการผิดพลาดขึ้นเพราะว่าการควบคุมจิตใจนี้ ไม่อยู่ในในฐานะที่พอเพียงแห่งความต้องการเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทำการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ราชการหรือหน้าที่ของการดูแลโรงงานหรือหน้าที่ของการดูแลธุรกิจหรือหน้าที่การดูแลในครอบครัวทั้งหมดเหล่านี้ถ้าหากว่า การควบคุมใจของเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่ควบคุมได้ดีมันก็กลายเป็นอะไรขึ้นมามันก็กลายเป็นสมรรถทเรนขึ้นมาก็หมายความว่าจะมีความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นในสมองของเราเนี่ยเพราะสมองของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่การปรับปรุงหรือการควบคุมการปรับปรุงหากว่าคนที่มีสมองดี แต่ขาดการปรับปรุงและขาดการนี่ควบคุมดีเท่าไหร่เนี่ยมันก็ใช้ได้แค่ห้าสิบเอร์เซ็นตไม่สามารถที่จะใช้สมองได้ร้อยเอร์เซ็นตเพราะว่าไอ้ตัวควบคุมไม่ดีนั้นผู้ที่สามารถควบคุมได้ดีเนี่ยเพราะเขามีหมายความว่ามีพลังมีพลังทางจิตด้วยเหตุอย่างนั้น ในการที่เรามาเรียนสมาธิเกี่ยวกับว่าเราได้สร้างเสริมพลังจิตอันนี้เป็นการถูกต้องที่สุดเรียกว่าใครจะมาปฏิเสธก็ไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ก็มาปฏิเสธไม่ได้ทุกวันนี้ต่างคนก็ต่างแสวงหาพลังจิตกันโดยการที่ไปเอาอะไรก็ไม่รู้ที่ไหนอจกกักรวาลไหนก็ไม่รู้เอ ไม่รู้ละไปเที่ยวหากันนึกว่ามันอยู่ที่โน่นนึกว่ามันอยู่ที่นี่แบบเดียวก็ในสมัยคังพุทธกาลนั่นแหละในการที่บางคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็หมายความว่าไม่มีความตัดสู้ในใจก็พากันไปหาสิ่งที่มันผิดๆเยอะแย ะ, ยะเพื่อที่จะหาพลังจิตมาเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น พระเจ้าก็ได้อธิบายถึงเรื่องพลังจิตนี้ให้แก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายพวกก็เลยแห่กันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาเพราะว่าเดินทางถูกต้องแล้วพระวัตรทำได้ผู้ที่บวชก็ไปทำได้ทุกคนทำได้เด็กทำได้ผู้ใหญ่ทำได้ในที่สุดก็เท่ากันกันกบว่าทำไมถึงว่าพระพุทธเจ้าเปิดโลก อย่างเนี้ยบอกว่ า, วาโอ้นี่ปางไหนปางพระพุทธเจ้าเปิดโลกก็เปิดอันเนี้ยไม่ใช่เปิดว่าโลกมันมืดมิดอยู่แล้วก็ไปทำแสงสว่างมาเปิดมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามาเปิดความจริงที่ว่าทุกคนเนี่ยต้องสามารถที่จะควบคุมจิตใจได้ควบคุมจิตใจได้ก็สามารถที่จะมีความได้เปรียบอะไรหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้น อ, อ, อย่างที่ว่าสมาธิมีส่วนช่วยอะไรได้บ้างกระเป็น ท, ที่ทราบแล้วว่าทุกคนต้องเคร่งเครียดต่อการงานทุกวันด้วยเหตุนี้จึงกระเทือนไปถึงสมองที่จะต้องสั่งงานเพิ่มขึ้นจึงเป็นเหตุให้มีความเสื่อมสภาพเร็วขึ้นกว่ากำหนดการกระเทือนนั้นย่อมเกิดขึ้นทุกครั้งของการวางแผนนึกคิดเมื่อเป็นเช่นนี้ความสันสะเทือน จึงเกิดทุกครั้งความสั่นสะเทือนนี้เองทำให้เกิดความเคลื่อนไหวเมื่อเกิดความเคลื่อนไหวก็จะเกิดเสียพลังงานการเสียพลังงานก็คือการเดินทางไปสู่ความเสื่อมสภาพอันนี้เป็นธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนมันต้องเป็นเพราะฉะนั้นสมาธิจะช่วยชะลอความเคลื่อนไหวหมายถึงคลื่นสมองด้วยการเสริมพลังลดความเคลื่อนไหว อันนี้เป็นคําอธิบายที่ไม่ใช่อธิบายแบบไม่ใช่อธิบายแบบที่ว่าคิดเอาแต่ว่าอธิบายแบบตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงมันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นกิจการงานทั้งหลายที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องมีพลังจิตนี้ไว้ต่อสู้และสิ่งเหล่านั้นมันจะสาเร็จหมด แล้วพลังจิตนั้นหลวงพ่อก็บอกผลทางไวหมดแล้วว่าจะเอามันมาได้อย่างไรแล้วกลางคืนอย่างนี้เร า, เ, าเลิกการเลิกงานแล้วเราก็มาซะสามสิบนาทีหรือว่าถ้าหากว่ามันไม่ได้เอาห้านาทีไปอย่างนี้แต่ว่าอย่าให้มันเสียไปเลยวันและคืนอย่างนี้วันที่จะให้มันมีพลังจิตเนี่ยเพิ่มเข้ามาแล้วการงานของเราเนี่ย เอคิดโดยจะการงานนี่มันจะออกมาอย่างโปร่งใสที่สุดเออันนี้อธิบายให้ฟังเนี่ยเกี่ยวกับว่าสมาธิเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการงานได้อย่างไร <c oughs> ออก็อธิบายอันนี้ก็คงจบไว้แค่นี้เพราะว่าบอกแล้วว่าวันนี้จะอธิบายให้มันสั้นลงไปหน่อยก็คงจะพอเข้าใจกันแล้วในข้อนี้อ่า และต่อไปนี้ก็คือเมื่ อ, อ, อหลวงพ่อได้เดินทางไปกับหลวงปู่มั่นออสองต่อสองนั้น เ, เป็นการเดินทางที่เหมือนกันกับถ้าพูดกันอย่างภาษาเราตะ ว, วันนี้ก็เรียกว่าสวรรค์มาโปรดซึ่งสิทธิของการเดินเทดอดงร่วมกับหลวงปู่มั่นนั้น น้อยนักหนาที่ใครจะได้ไปเดินสองต่อสองมิฉะนั้นก็จะต้องมีพระอะไรต่ออะไรเดินไปกันทีละห้าองค์หกองสามองห้าองอะไรอย่างนี้การที่จะเดินไปสองต่อสองนั้นร่วมผู่ท่านบอกว่าก็มีแต่แกเท่านั้นแหละว่า <c oughs> ทำไมถึงให้สิทธิพิเศษ แล้วเราก็คงจะได้รู้กันว่าทำไมถึงให้หลวงพ่อสิทธิพิเศษนะเพราะมีอยู่วันหนึง่งเวลาที่นั่งฉันข้าวด้วยกันเนี่ยรวมหมู่รวมหมู่กันตั้งเยอะมีพระเถรานุเถระยี่สิบสามสิบองค์อยู่ๆท่านก็พูดออกมาอย่างไม่มีฟีมีกลุยมันบอกว่าเอ้ย เนี่ยเราได้อุปถาและเรียเรียกว่าได้ท อ, อที่ถูกต้องแล้วมันถูกต้องยังไงมันบอกว่าทุกทุกองที่มาอยู่กับเราเนี่ยแหมกลัวเรายังกับราชสีห์กันหรือว่าอางั้นองค์นี้ละมันไม่กลัวเราเพราะว่ามันไม่กลัวยังไงท่านอธิบายให้ฟังออกว่ามีอะไรมันถามตาปื๊ด ตั้งแต่มันมาอยู่ที่นี่มันถามได้เกือบห้าร้อยข้อแล้วว่า น, นั่นนะเพราะฉะนั้นนันถูกต้องแล้วพระท่านก็จึงได้ยกนตัวอย่างขึ้นว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเอาพระอานนท์มาเป็นอุปถาก็เพราะว่าพระอานนท์เป็น เ, เชื้อพระวง์หมายความว่างั้นก็หมายความว่าเป็นเจ้าเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพระนนจึงมีความกล้าหาญที่จะถามพระพุทธเจ้าทุกข้อเม <c oughs> <ME> ื่อเดินไปถึงวัดอมแก้วอ้อมแก้วแล้วเสร็จเรียบร้อยท่านก็นี่วิทยามเราไปไหว้พระธาตุพนมกันไปก็สององค์ลูกศิษย์กับอาจารย์ก็เดินตามเราก็ตะภายยามพอเดินไปถึงท่านก็พาไหว้ อ่าอหลวงพ่อเอพระอาจารย์ครับทําไมไหว้ด้านเดียวไม่พอหรือท่านพาไหว้คือสีด้านครับพระธาตุพนมจะสี่เหลี่ยมอันก็ไหว้ด้านนี้เสร็จแล้วบริเมสายยะทิสายสายะอั น, นี้ก็ทินายะทิถ้าเราไปไหว้เพียงด้านเดียวแกรู้ไหมว่าไหว้ด้านเดียวแล้วมันได้อะไรขึ้น แล้วไหว้สีด้านแล้วมันได้อะไรขึ้นท่านก็อธิบายให้ฟังเสร็จแล้วพอไหว้ถึงสีด้านเสร็จแล้วเราก็มานั่งพักเพียรกราบนั่งฟังท่านต่อคนเรานี่หวังดีแต่ว่าที่ไหนได้เออมันให้ผลลายสเสลยเพราะว่าไปคิดแต่เพียงด้านเดียวอย่างวิยัย ท่านบอกว่าอ่อยากโกหกนะแต่ว่าเราไม่โกหกก็จริงแต่ว่าเราต้องมีกุศโลบายไหวยอย่างนั้นแล้วทีนี้เราก็ได้ฟังเทศท่านต่อทีนี้ถ้าเราไม่ถามว่าทําไมหลวงเอทําไมพระอาจารย์เอจึงจะต้องมาไหว้ศี้านเราก็เก็บไว้ในใจเราก็ไม่ได้ฟังเทศนี่คือความฉลาดของลูกศิษย์เป็นอย่างนั้น <laughs> เพราะฉะนั้นน่ะลูกศิษย์ทั้งหลายก็คงเอาตัวอย่างมั่งเหตุว่าเราเนี่ยไปกลัวอาจารย์ไม่ได้เราต้องถามมีอะไรต้องถามอย่างนี้เป็นต้นท่านจึงบอกว่าอย่างพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินยัยท่านก็มีข้อแมอ่หรือเวลาที่คุณจะทำสมาธิคุณว่านั่งสมาธิแล้วจิตรวมมันดี แล้วไม่ดีมันอยู่ตรงไหนมันก็จะต้องเรียกว่าต้องรู้หมดทั้งสีด้านยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าในสมัยที่ประเทศอินเดียเกิดความอดอยากาขึ้นมาเนี่ยประชาชนก็มีอาหารไม่พอรัฐบาลก็มาคิดว่าทำยังไงอาหารถึงจะพอแก่ประชาชน ก็มาคิดได้ว่าไอ้นกกระจาบเนี่ยมันมากินข้าวราษดรจะต้องกินได้ไม่ต่ำกว่าสิบล้านคนนี่ปล่อยให้นกกินปเปล่าๆรัฐบาลจึงสั่งให้ฆ่านกกระจาบทั้งหมดโดยให้รางวัลกับประชาชนตัวละเท่านั้นเหรียญเท่านั้นรูปีไม่ถึงสามเดือนนกกระจาบหมดประเทศอินเดียและอะไรเกิดขึ้นหนอนกระทู่ นอนกระทูมันมากินข้าวแขกหมดเพราะว่าเมื่อนกกระจาบยังอยู่นั่น่ะนกกระจาบมันกินนอนเนี่ยแล้วทีนี้แทนที่ อ, อินเดียจะได้ข้าวมาให้นอนกระทู ม, มากินข้าวหมดตกลงเสียทั้งขึ้นทั้งล่างนี่หมายความว่าเรารู้เพียงหน้าเดียวเมื่อได้รับคำอธิบายอย่างนั้นหลวงพ่อก็สาธุ แต่แล้วแกรู้ไหมว่าพระธาตุพระนมเนี่ยตั้งแต่ก่อนไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจเลยคนมาไหว้ก็ไม่มีมีแต่เทววันเนี่ยอขึ้นเต็มไปหมดสมัยนั้นท่านผร้ลงมาครับอพระอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่เสาพอมาถึงนั่นแล้วท่านก็นชวนให้ชาวบ้านแถวๆนั้นะช่วยกันมาถาง อพอถังพวกเทวันออกหมดแล้วเป็นวันมาฆบูชาท่านก็ชวนพวกชาวบ้านมาทำมาฆบูชากันในวันนั้นพอกลางคืนมาท่านก็เล่าให้ฟังว่าเราเลยนั่งสมาธิอยู่กับพระอาจารย์เสาอยู่ที่นั่นตลอด พฏิปฏิสามเ 3, เ, เห็นแสงสว่างออกจากพระธาตุพนมอันนี้ไม่ใช่นิมิตแต่เห็นกับตาเนี่ยออกมาเหมือนผีพุ่งใต้สีเขียวเป็นมรกตปติห้าพระแสงเหล่านั้นมันก็วิ่งเหมือนผีพุ่งใต้เนี่ยกลับเข้ามาสู่เจดีย์แล้วหายไปท่านก็เลยบอกว่า ถ้าเป็นอย่างนี้มึงคงเป็นของอัศจรรย์แล้วก็เลยนั่งสมาธิบอกว่าลูกสิษ์กับพระอาจารย์ในที่สุดท่านก็เลย เ, เห็นเป็นความที่ชัดเจนว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นอยู่ในองค์พระธาตุอันนี้ท่านก็เลยประกาศ ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายไปพากันไปไหว้ทีนี้ก็เลยเกิดเป็นเทศกาลมาไหว้พระธาตุพนมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาจนบัดนี้กลับไปที่วัดห้องแก้ววันนั้นพอฉันเสร็จแล้ว <c oughs> หลวงพ่อก็บีบท่านอีกตามเคยพอบีบพอบีบเสร็จแล้วท่านถามคำหนึ่งว่า นี่ตั้งแต่บีบเรามาเนี่ยแกเคยแกเคยคิดว่า้การที่บีบนวดอยู่นี่มันเป็นเรื่องอลำบากใจหรือเปล่าเราก็ต้องพูดออกมาอย่างตามตรงแะบอกว่าไม่เคยลำบากใจแม้แต่เท่าใยบัวบอกว่าปฏิบัติพระเดชพระคุณอย่าง เรียกว่าถือว่าเป็นบุญของผมอะ่ะเกิดมาได้ปฏิบัติท่านผู้สมคุณอุทิขนาดนี้แล้วจะไปมีความรังเกียจได้ยังไงถ้าอย่างนั้นก็จะให้รางวัลว่าเออเราได้รางวันอะไรนอกวันนี้เห็นถ้าเขาฟาัปากป่าหรลอกมาดึงฟันมาอันหนึ่งเอารวมปูเลือดไม่ออกแล้วนะว่างั้นเอ้เอ มันไม่ออกเราพงว่ามันจะหลุดแล้วบอกว่ามันไม่เห็นใครที่จะให้นอกจากคุณเมื่อมีความซื่อสัตย์และมีความตั้งใจจริงจงเอาฟันอันนี้ไปถ้าแกไม่อยากกดถือติดตัวไปตลอดชีวิตว่าไปนั่นแม่เราก็กลาบแล้วกลับอีกกลับแล้วกลาบอีกบ <c oughs> แล้วเก็บห่อไว้มัดเกลียวเลยนี่ <c oughs> อันนี้แล้วท่านก็เลยพูดต่อไปว่าฟันก็คืออยู่ในปากของเราปากของเราก็คือสอนเธอเธอจำได้ไหมที่เราสอนให้เพราะฉะนั้นฟันอันนี้จะเป็นอนุสอนว่าคำสอนที่เราสอนออกไปนั้นเธอจงจำแล้วเอาไปทำประโยชน์ ให้เต็มที่ถือเอาฟันนี้ไปเป็นที่ะระลึกพระอาจารย์ต่างๆเขาก็รู้กันหมดที่นี่อ <c oughs> <c oughs> หลวงพ่อได้ฟันหลวงปู่ท <c oughs> ีนี้ทุกวันเนี่ยไม่เคยมีฟันอฟันท่านหล่นฟันท่านหล่นท่านก็ฝังดินหมดมันไม่ให้ใคร <c oughs> มอมาฟันอันนี้ยให้หลวงพ่อและทีนี้มันเกิดเหตุ ที่หลงพ่อต้องเสียใจอย่างยิ่งก็คือเมื่อปี 2,526 อยู่ที่วัดธรรมมงคลนี่ <c oughs> หลงพ่อไม่ได้มัดเอวพอมัดเอวมานานก็เลยใส่ ย, ย่ามพอใส่ ย, ย่ามเสร็จแล้วก็ไปในซ่วมขโมยมาขโมยย่ามไปจ่อย <c oughs> แล้วฟันมันก็ติดไปด้วยอะ่ะ เราไม่เสียดายอะไรเสียดายฟันนั้นเดียวเท่า น, นั้นเองตั้งแต่นั้นมานี่โดยประมาณคงจะเป็นสิบห้าปีแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าฟันอันนี้มันไปตกอยู่กับใครใครตกอยู่กับใครคนนั้นก็คงไม่มีประโยชน์อะไรกับบุคคลผู้นั้นเพราะว่าคุณทำไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าใครสืบสาวราวเรื่องได้นะ <c oughs> <c oughs> ขอฟันคืนหน่อยเอา จ, จบเัวนี้ก่อนอแล้วทีนี้ก็ขอเชิญคุณกันโอคเพชรทวีวันสนุ ก, กรอนะฮะกล่าวในมัสกการพระอาจารย์ค่ะ กยากเรียนถามผู้อาจารย์นะคะว่าอพลังจิตช่วยรักษาผู้ป่วยได้อยากเรียนถามว่าพลังจิตสามารถช่วยให้เด็กที่ดื้อเนี่ยหายหดื้อได้หรือเปล่าเจ้าค ะ, ะเด็กทุก ว, วันนี้มันเป็นยังไง อ, ะอ่ะดือจริงจริแต่ว่าพลังจิตนี่ช่วยได้นะ อ, ะอะ ถ้าคนไหนดื้อก็สมให้หลวงพ่อได้นจะนั่งเพ่งให้มันหลับเขว่าถ้าหากว่าต้องการจะช่วยคนที่ไม่ค่อยชอบเรียนแล้วก็ดื้อแล้วก็รัน้นแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยให้ทำอย่างนี้ พอเวลานั่งสมาธิแล้วเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดแม่ก็ลูกหรือว่าหลานอะไรมีความสัมพันธ์กัน <c oughs> เ, เราใช้พลังจิตสีขาวขาวแล้วก็ เ, เพ่งไปที่พอเวลาเรานั่งเนี่ยเราจะเพ่งไปโดยว่า ให้สีขาวนี่คล้ายๆกับน้ําอาบอย่างเงี้ยมันอาบลงไปที่ตัวอย่างเงี้ยวันละหนึ่งครั้งคิดว่าผมไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คงจะดีขึ้นเยอะอาบตั้งแต่สีสีสาจนถึงเท้าเหมือนกับเราอาบน้ําอย่างเงี้ยนะไอ้มันเป็นน้ํำสีให้สีขาวก็เรียกสีขาว เพื่อแก่แก่ตืออ่อันนี้วิชานี้ก็พึ่งจะเปิดเลยนะขอบคุณค่ะใครใครทำได้ผลยังไงแล้วก็มาบอกด้วยถ้าทำไม่ไหวก็ส่งมาให้หลวงพ่อก็ขอเชิญคุณมรุลง บุ่คกรารนอยาลปูครับ อ, อยากทราบว่ากิเลสปัญญาคืออะไรครับแล้วก็วิธีการแก้ไขครับกิเลสปัญญาคือคนที่วดได้นิดนึงก็แหมเรียกว่าปลาตกน้ำตูโตนั่นก็คือกิเลสเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> ที่จะแก้ไขก็คือหยุดที่จะไป ปวดอวอะไรเขาซะคือมียังไงก็ทาจิตให้ได้เกิดพลังแล้วก็พยายามที่จะไม่ใช่ปัญญานั้นไปในทางที่ผิดก็ถือว่าสามารถจะแก้ได้ <c oughs> ก็ต่อไปก็ขอเชิญอพออถออาวร อันนี้เป็น a, บัวพิมพ์สาวรนบัวพิมพ์กลับนุมัตการพระอาจารย์ครับผมรรบผมอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับการเดินโยกกลมครับการเดินโยกกลมที่ผมทําอยู่นี้คือผมใช้กําหนดทั่วทั่วไปนะฮะคือให้รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอย่างการเคลื่อนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยฮะ มันจะถูกหรือเปล่าครับถูกแล้วคือว่าเราต้องการให้มีสติเราถึงแม้ว่าจะนึกจะคิดไปไหนก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเรามีสติคือมีความรู้ไม่ได้ไม่ได้เผลอคือมีสติอยู่ตลอดเวลาถือว่าใช้ได้ ต่อไปก็ขอเชิญคุณวรีพรเจริญวัฒโนพาสกราบนมสการพระอาจารย์ค่ะจิตอยากถามว่าผู้ปฏิบัติสมาธิเมื่อจิตเข้าสู่จุดพลังอำนาจนั้นเราจะทราบลักษณะของมันได้อย่างไรค ะ, ะจิตที่เข้าสู่พลังอำนาจนีเ้เราจะรู้ได้ ด้วยความเปรียบเทียบเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาออกมาพูดเป็นตัวตนได้ความเปรียบเทียบก็คือเหมือนกันกับเรามีรับพันอาหารอิ่มแล้วเราเองก็จะเป็นผู้รู้ว่าอิ่มหรือคนที่เรียนหนังสืออ่านออกแล้ว เขาเองก็จะเป็นผู้รู้ว่าเขาได้อานหนังสือออกแล้วแล้วก็จุดพลังอำนาจนี้ก็จะมีการรู้ได้อีกอย่างหนึ่งว่าเราสามารถที่จะรักษาโรคคนอื่นให้หายได้มันก็เกิดจุดพลังอำนาจแล้วแต่ยังไงก็ตาม จุดพลังอำนาจเวลานี้ก็มีอยู่ในตัวแล้วทุกคนแต่ว่าสําคัญคือการที่เรานําออกมาใช้ถือว่านั้นคือการถึงจุดพลังอํานาจอามาใช้ได้อก็คงจะได้อธิบายกันต่อไปอีกเรื่องของเรื่องของจุดพลังอํานาจคงไม่ยุติเพียงแค่นี้แต่ว่าวันนี้ก็ขอตอบไปเพียงตอนนี้ก่อน ต่อไปขอเชิญคุณนัตมาเลิกกุศลผลาสุด์ตามรัชกาลพระอาจารย์เจ้าค่ะจิตอยากถามว่าการนั่งสมาธิกับการฝันนี่เหมือนกันไหมคะอะการนั่งสมาธิกับการฝันนี่ไม่เหมือนการที่จิตเป็นสมาธินั้นก็สงบ แล้วก็มีความรู้คือความรู้เช่นอย่างว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยบางทีมันอาจจะเวลาเราต้องการอยากจะให้สักสามสิบนาทีความสิบนาทีมันก็รู้สึกขึ้นหรือว่าในขณะที่จิตมันสงบนี่เราก็รู้เวลาสบายเราก็รู้เนี่ยมนรู้ชัดน่ะมันความรู้สึกมี แต่เวลาที่นอนหลับนั่นมันไปรู้เอาตอนเวลาตื่นผิดกันตรงนี้คุณจ้าค่ะต่อไปขอเชิญคุณจุฬารัตน์แซ่เบ้กรามน้ำมศการพระอาจารย์พ่ค่ะสิดอยากจะถามพระอาจารย์ว่ า, าที่สมานกายเนี่ยต้องนั่งถึงจุดไหนถึงจะ รู้เจ้าค่ะอาทิสมานกายคือการออสามารถเคลียเอะกายยาบเนี่ยกายหยาบนี่หมดความรู้สึกก็จะถึงอาทิตย์สมานกายคือบางคนเนี่ยพอจิตสงบครับเข้าผวังพอเข้าผวังไปมันไปถึงแล้วออย่างเราคล้ายๆก็หลับไปอย่างเนี้ยอ่า อนั้นมถึงอธิศมานกายแล้วแต่ว่าถึงอธิศมานกายแบบหลับๆอย่างนี้ก็ได้ผลบ้างแต่ถ้าจะหากว่าจะสัมผัสอธิศมานกายจริงๆแบบได้ผลนั้นจริงๆนั้นคือเวลาที่จิตมันเข้ารวังแล้วเรายังมีความรู้สึกอยู่อันั้นคือเราได้สัมผัสอธิสมานกายจริงๆ ความจริงแล้วเราก็สมัมผัสอธทิสมานกายกันทุกวันเพราะเราหลับเนี่ยเราจะไปอยู่กับอาิตสมานกายทันทีเราจะสังเกตได้ว่าเวลาก่อนที่จะหลับเนี่ยเราจะต้องเคลียแล้วเคลียอีกร่างกายทีนี้บางคนก็ไม่ต้องเคลียอะไรลงไปก็หลับเลยก็เข้าไปได้แต่บางคนก็ต้องเคลียนานกว่าจะหลับเข้าไปได้แต่ แท้ที่จริงแล้วก็คือการเคลียร์ร่างกายอยาบนี้ให้หมดความรู้สึกถึงจะถึงอาทิตย์สมานกายขอขอบคุณเจ้าค่ะนต่อไปขอเชิญคุณพินทีนีอติการการธรรมศการพระอาจารย์ค่ะใครขอถามว่าในการที่เรามีความตั้งใจในการใส่บาตรต่อ พระสงค์เนี่นะค ะ, ะคือเมื่อเมื่อจิตสบายแล้วเนี่ยจำเป็นไหมคะที่จะต้องกล่าวคำอะไรอนุโมทนาหรือว่า อ, อยากรับทราบคำที่กล่าวอนุโมทนาที่ที่ถูกต้องนะคะที่ใส่บาทใช่ไหมใส่บาทแล้วก็ถ้าคิดถึงใครเราก็แผ่ส่วนกุศลไปให้เขาแต่ เวลาใส่บาตรนั้นถ้าหากว่าจะพูดสั้นๆก่อนนิพพานะปัจโยโหตุก็แล้วถ้าไม่พูดเลยบุญกุศลก็คงมีอยู่ตามเดิมเท่าเก่าถึงแม้เราจะพูดขึ้นมาก็บุญกุศลก็มีเท่าเก่าแหละ <c oughs> <c oughs> ก, การใส่บาตรนี่ก็ถือว่า เป็นกุศลเรียกว่าอาจินกรรมอาจินกรรมนี้คือการทำกุศลที่บ่อยๆบ่อยๆมากเข้าก็ถือว่ามากขึ้นเองสำหรับการใส่บาตรนาะต่อไปขอเชิญคุณบุญเกิดบุญล้อมสุดท้ายปรารนมาตรการ ประเดชกุณหลวงพอ่อที่ก ร, รบ <c oughs> กระผมขอการาบเรียนถามถึงวิธีป้องกันเพื่อจะไม่เกิดความหลงติดเมื่อได้สมาธิแล้วอย่างที่หลวงพ่ออธิบายมาเมื่อลองวันก่อนว่าผู้ที่ได้สมาธิถึงระดับจิตละเอียดแล้วอาจจะเกิดวิปัสนูปเกเรตขึ้น อาจจะมีความเกิดความหลงผิดในขณะเมื่อได้โอภาษเหล่านี้เป็นต้นกระผมขอ ก, กราบยันถามว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะไม่เกิดความหลงผิดเมื่อได้ถึงระดับโอภาษแล้วครับเ อ, อ่อเราจะต้อง อ, อถามตัวของเราว่าใครคือผู้รู้อันนี้ ให้ถามทุกทุรทางของการนั่งสมาธิอันนี้ก็จะเป็นตัวสติอันหนึ่งที่จะคอยเตือนเรานี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเราจะต้องมีกัญยาณมิตรว่าเป็นที่ปรึกษาว่าเป็นอย่างนี้สมควรที่จะจะทำอย่างไรต่อไป ข้อที่สามคือไมออ่ไปหลงในนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นนิมิตถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเมื่อมีผลประโยชน์ก็ใช้เฉพาะการไม่ให้ถือว่านิมิตนั้นเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐเป็นต้นอีกข้อหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับ ผมอยากจะขอกาบเรียน <c oughs> เสนอว่าผู้มีปัญหามากควรจะเปิดโอกาสให้ถามด้หลายข้อเพื่อชดเชยกับผู้ที่ไม่มีปัญหาถามเลยครับผมขอกาบขอพระคุณครับชดเชยได้บ้างก็คงอจะไม่มากเกินไป <c oughs> อาก็คือว่าจบกันเทา่านี้วนนี้